มาลีจิระักยกุลคือต้องเล่าให้ฟังก่อนนะฮะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาปฏิบัติสายเนี่ยก็ไปปฏิบัติสายของโคอิก้ามาก็หลายครั้งอยู่ใช่ไหมฮะซึ่งไม่ปฏิบัติแบบโคอิก้าเนี่ยเขาจะไม่พูดอะไรเขามีเทปให้ฟังอย่างเดียวใช่ไหมฮะเราก็ปฏิบัติไปได้ทั้งสองวันนอนตะแคงซ้ายรู้ตะแคงขวารู้เอ๊ะมันจะดีได้ไงในเมื่อเรานอนตั้งกเช้าตัาง้ง หัวค่ายันเช้าตื่นทีเดียวมานอนกลางคืนกลางค่ำรู้ก็ไม่รู้หรอกมันดีอะไรว่ามันมีสติหรืออะไรไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่รู้จะคุยกับใครใช่ไหมคะแล้วก็พอปฏิบัติได้สามวันกว่าสามวันครึ่งเขาก็ให้เคลื่อนความรู้สึกไปทั่วตัวมันก็ลากยากแล้วเริ่มแรกอ่ะแต่พอ拉ไปลากมาแป๊บเดียวมันก็ปื๊ดปื๊ปื๊ ด, ดเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ความหมายมันหรอกนะฮะเพราะเขาถึงเขาจะมีธรรมะบรรยายตอนเย็นเนี้ยก็ลากไปลากมา ก็ตัวมันก็สั่นมั่งอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปิติแล้วก็เห็นตัวเราสปงกแต่ก็เห็นเห็นเราเห็นเห็นตัวเราสปงกอีกทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าให้กลับมาทําทุกเช้าเย็นแต่ก็ทําแค่เช้าอย่างเดียวเย็นไม่ได้ทําจะดูซิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นทําไปก็ไม่เห็นมันจะพัฒนาไปตรงไหนหรือเพราะว่าเราไม่สามารถถามใครได้เราก็ไปเช็ค เช็คดูอีกทีว่าคนที่เคยเข้ามายี่สบสาสิบครั้งเนี่ยเขาเป็นยังไงคุยไปคุยมาก็ไม่เห็นได้อะไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าคือว่าเราจะเข้าต่อหรือไม่เข้าต่อเราก็เช็คดูใช่ไหมฮะว่ามีอยู่คนนึงเข้าว่าห้าสิบครั้งยังหลงหลงลืมลืมอะไรยังบอกว่าพี่ไม่ไมีไม่เก็บสัญญาไว้เลยเหรอเนี่ยเอาอะไรอ่ะไอไอกล่องกล่องใส่เงินปิดเสร็จเอากุญแจใส่ไปในกล่อง พี่ไม่เก็บสัญญาไว้เลยเหรอพี่ทิ้งเกี้ยงเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มันมีแบบในหนึ่งวั น, นยมีชั่วโมงอธิษฐานอยู่สามชั่วโมงสิว่าห้ามกระดุกกระดิกเลยอะ่ะซึ่งมันก็ไม่ยากสําหรับเราเพราะว่าเขามีหมอนเยอะเราก็สอดไปทั่วตรงไหนเรารอบนี้ตรงนี้ชากินเราก็สอดสอดให้มันให้มันไม่ทับกันมันก็ไม่นั่นมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะนั่งสองชั่วโมงก็นั่งได้เพราะว่าเราสอดเยอะ พอแต่มันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะรู้อะไรต่อไปได้อ่ะก็เลยก็เลยไม่ก็เลยหาหนทางใหม่ว่าเอายังไงดีก็เลยมาเจอมาเจอมามาเจอแม่อว้วฮะซึ่งไปล้างตับคอส ท, ที่ที่วัดคองลี่อ่ะซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อก็ไปล้างตับด้วยแต่หนูก็ไม่รู้จักหลวงพ่อนะฮะหนูก็ไม่รู้จักแม่อว้วแต่หนูว่ายู่ดีก็เคยมีคนส่งหนังสือว่า อะไรจิตอะไรคือพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยมาให้อ่านก็อ่านแต่รู้ว่าเป็นแม่อ้วไม่อ้วแต่ก็ไม่รู้คือใครไปที่พอไปนั่งก็ได้ยินเสียงเขาพูดเรียกชื่อก็เลยใช่ไหมอะไรเขาบอกว่าใช่ใช่ไหมฮะแต่ก็รู้จักเขาแต่ก็เขาก็เปิดสถานปฏิบัติธรรมนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไปต้องหลายปีแล้วจนกระทั่งว่ามีเพื่อนเนี่ยเพื่อนอายุมากกว่าเป็นรอบอะฮะเห็นเขาก็ปฏิบัติ นั่งปฏิบัติไม่ได้เลยเราก็เออเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าลืมตาลองไปไหมล่ะเราก็พากไปสามวันสองคนนะั้นะงแงทำอะไรไม่ได้ลเลพราะอายุเยอะอ่ะหกสบกว่าสุดท้ายเราก็ไปดูวิธีการปฏิบัติเขาก็โอเคก็เลยชวนแฟนว่าคราวต่อไปเราลองมาเจ็ดวันที่นี่ดูไหมใช่ไหมฮะก็ไปปฏิบัติกับแม่อ้วสักสองคอร์สมั้งะ แล้วก็ลองหลังจากนั้นเราก็เราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่รู้อย่างเดียวว่าเวลาเราไปเที่ยวอ่ะเราลองไปเที่ยวเอออะไรอ่ะดอกทุ่งกระเจียวหลังจากปฏิบัติเสร็จเออตรงนี้มันใกล้เนาะก็ลองไปดูไม่ได้ถ่ายรูปสักร่มเลยอะไรมันก็ไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยแต่ก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะฮะแต่เหมือนกับว่าไม่มีความอยากอ่ะห้างเคิ่องก็ไม่อยากไปแต่ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ใช่คะแล้วหลังจากนั้นก็มามีชุมนุมพอมีชุมนุมปั๊บทุกอย่างก็กลับมาเหมือนคนปกติอะไรก็ใช้ได้หมดโดยที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบตหมดใช่หมคะก็หลังจากชุมนุมเสร็จก็พอเรื่องซาซาแล้วก็มาปฏิบัติใหม่ก็มาปฏิบัติอย่างนี้ละค่ะก่อนไปชุมนุมปฏิบัติก่อน พอหลังจากชุมนุมแล้วไ ม, ไ, ไ, มไม่ไม่ไม่ปฏิบัติเลยดูทีวีทุกวันช่องดูทุกวันทุกเย็นว่ามันจะมีเหตุการณ์มีอะไรเขาจะเรียกระดมะเมื่อไหร่ก็จะไปช่วยเขาเพราะว่าเราคิดว่ายังไงก็ขอให้ประเทศชาติได้พึ่งเราบ้างใช่ไหมคะที่ยอมไปเนี่ยใช่ไหมคะก็ไม่ได้คิดว่าอะไรหรอกคือไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้เป็นตัวตวตัวตั้งตัวตีแต่รู้สึกว่าขอให้เป็นกําลังหน่อยคือว่าเอาปริมาณเขาว่า โอ้ก็หลายครั้งอยู่อะะน่าจะใกล้สิบครั้งมั้งคะก็แ ต, แ ต, แต่แต่ที่มาปฏิบัติวิธีนี้เนี่ยชอบอย่างเดียวคือว่าที่เริ่มมาเปลี่ยนมันคือว่าชอบตรงที่ว่าเวทนาเนี่ยแบ่งออกเป็นสอ ง, ส, องส่วนว่าเวทนาทางกายให้บำบัดเวทนาทางทางจิตพยายามอย่าให้เข้าอย่าให้เข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เชื่อมใช่ไหมคะแต่อย่างถ้าแบบเดิมเนี่ยนั่งเข้าไปนั่งเข้าไปทนเข้าไปทนอย่างเดียว เขาเราว่ามันก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าเห็นพี่คนหนึ่งเขาเป็นผู้จัดการคอสอ่ะทุกวันเนี้ยหัวเข่าเขา่ไม่กระดุกกระดิกเลยแข็งเป้งเลยไม่กระดุกกระดิกเลยขึ้ น, นบันไดไม่ได้อะเพราะว่าเขาแต่เขาก็ยังไปอยู่นะคะเราก็ชวนเขามาทางนี้เขาก็ไม่มาเพราะว่าเขามาแล้วเขาหาวห า, วหาวเพราะว่า ก, ก็มีน้องอยู่คนถามอะ่ะก็เลยเข้าใจอ่ะว่าตอนที่ว่ามันเริ่มยกมือเนี่ยก็หาวมากเลยไม่รู้จะหาวอะไรนักหนาะ แต่กพ็พอดูไปดูมาอ๋อการที่เราหลับตาเรามีความสุขเหมือนกับเราติดกาแฟตั้งกายเพราะเราไม่ได้กินมันก็จะปวดหัวอันนี้ถ้าเธอทำแล้วไม่หลับตาเนี่ยฉันจะหาวให้เธอดูมันก็จะหาวอยู่นั่นแหะจนกระทั่งว่าทนไปสักพักใหญ่ๆมันก็จะหายหาวใชค ะ, ะ ก, ก็พอจะแยกออกอะฮะเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องเรื่องสติ ส, สติสัมปชัญญะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นความคิด พอเห็นความคิดความคิดมันก็มันก็ดับได้เพราะว่าถ้าสติแรงพอเห็นความคิดมันก็ดับอย่างเนี้ยอย่างที่เราเข้าเ ข, ข้าห้องเนี้ยธรรมดาเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่หรอคะพยายามจะพยายามจะใช้กับชีวิตประจําวันพอจะเข้าวันแรกเข้าไปอ่ะมันก็ชวนละออกมาข้างนอกอารมณ์เย็นดีแต่เราก็ไม่ได้ทําตามนะฮะเพราะเราก็แก่งพอที่จะไม่ทําตาม <laughs> โดยมากจะพยายามรู้สึกตัวระหว่างที่เดินให้ได้ค่ะในชีวิตประจำวันหนูพยายามจะทําให้ในชีวิตประจําวันแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปจะไปเพิ่มเพิ่มรูปแบบเพื่อจะได้ชาร์จแบตเติมไว้หน่อยไอ้นั่นใช้ชาร์จไปใช้ไปมันเหมือนโซลาเซลล์ใช้แต่กลางวันชาร์จไปใช้ไฟก็เลยอาบางครั้งมันก็หมด <c oughs> แต่แต่ก็เห็นวันนั้นที่ว่าน้องใจเนียฮะเข า, าพูดว่าเขาทําอะไรอ่ะชุดนึงแล้วก็นับหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยเขาบอกมันไม่มีนิวรเข้ามาเออเราก็ไปลองทําดูมันก็โอเคจริงอย่างที่เขาว่าเราก็นั่งดูอ๋อเรามีสภาที่กากับด้วยนะเพราะว่าฝันเราจะนับไม่งี้เราต้องเราต้องลืมแน่เลยหนึ่งเสร็จแล้วถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะไปสามไปสี่ไปห้าอะไรใช่ไหมฮะแต่เราเพิ่มหน่อยหนึ่งพอหยุดปับ๊บ เราก็เพิ่มหายใจเข้าทีหายใจออกทีแล้วก็เริ่มสตาร์ทใหม่มันก็เหมือนกับว่าสติเราค่อนข้างจะเข้มแข็งเดือดไหมความคิดความปรุงแต่งต่างๆมันยาวมันก่อนหรือเปล่าหลังจากปฏิบัติไปหลายๆครั้งเนี่ย โอมันมันวางซะส่วนใหญ่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้บางทีนะของจริงก็วางเลยบอกมันจะเลือกมันน่าจะเลือกวางบางทีจะโทรศัพท์ว่ายังจะโทรไปบอกเขาว่าวันนี้ให้เตรียมไม่นี่ให้เราหน่อยสักพักเนียเมื่อกี้เราจะโทรหาใครวางหมดเลยมันวางไปมันวางจนกระทั่งว่าแต่หนูเป็นคนที่ว่าไม่ไม่เก็บอะไรไว้อะกลางคืนก็ไม่ฝันมันไม่ค่อยมีอะไรอ๋อแปลว่าตัด หมดเหมือนกันงงว่า <นะ S 2> มันตัดหนูถึงถามหนูถึงถามว่าหนูจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมเนี่ยถ้าทําไปเรื่อยๆอ่ะเลยเลยมีคนแนะนําว่าให้มันเล่นเกมสิคุณจันยาคุณจริยาเขาบอกเขาก็วางวางวางแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้ทําอะไรหรอเฮ้ยเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมไอ้เนี่ยรุ่นรุ่นมั่งใช้สมองมั่งอะไรอย่างเงี้ยเรียก็ใช้เครื่องตัดยาแต่ไม่รู้จะเข้าตัดทั้งเข้าทั้งยาอะไวแบบนั้น เอาไปฉีดยาค่ายาก็ตายทั้งเข้าทั้งย่าพอดีกันก็ต้องเลือกใช้น่ะไอไหนที่มันเป็นตัวไร้สาระก็ตัดไอตัวไหนที่มันมีสาระก็ค่อยปลูกฝังและยังเติมว่ามันเข้มแข็งก็ต้องเลือกใช้เหมือนกันนะก็ขออนุโมทนาคุณมารีแต่ไฟคุณโอปอลองโอปอลนี่หายไปนานเลยเนาะเป็นคนที่มีไฟในการปฏิบัติมาเที่ยวนี้เป็นไงฟื้นคืนได้หมดไหม ก็มาเที่ยวนี้วันแรกๆวันแรกไม่ได้นอนนะคะพอมาปฏิบัติแล้วมันก็เลยง่วงเราก็พยายามจะออกพอจะออกปุ๊บมันก็เหมือนสู้กันอยู่มันก็เลยกลายเป็นเพ่งมันก็ปวดหัวค่ะวันที่สองมาก็แก้ตัวนี้อีกก็แก้เพ่งอีกจนรู้สึกว่าแก้มาวันครึ่งแล้วมันไม่ไหวแล้วก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์แล้วล่ะก็เลยไปหาคูจิบอกว่าไม่ไหวแล้วคูจิคูจิก็เลยแบบดึงดึงดึงดึงออกมาแล้วก็แก้ใหม่ คราวนี้มันก็ก็หายแต่ว่าตอนที่ตอนที่เพ่งอ่ะค่ะถ้าสมบุรณ์ว่าเราชนะเนี่ยมันก็จะได้เป็นสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าเราแพ้เนี่ยมันก็จะปวดหัวค่ะแต่ถ้าของของที่ของคุจีอะค่ะมันจะเป็นแบบมันจะไม่เชิงเป็นหนูไม่แน่ใจว่าเรียกสมาธิหรือเปล่าคือมันจะมีอะไรเข้ามาเบาๆแล้วก็แล้วก็แก้ไปตามหน้าหน้างานไปแบบแผ่วๆง่วงแผ่วๆแล้วก็แก้แก้ก็หายมีนิวรณอะไรแผ่วๆมาแล้วก็แก้ แก้หายอย่างไงี้ยค่ะแต่ถ้ามันมาหนักๆแล้วก็อาศัยเปลี่ยนอาลีโบตแรงแลงลุกเดินหรือว่าให้มันหลุดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปปฏิบัติในห้องก็แก้ไปเรื่องตำเรื่องตำราวอะค่ะก็ไม่ได้อะไร <Yeah. S 1> ในห้องมันจะ ถ้าอยู่ข้างนอกมันจะเป็นตัวง่วงใช่ไหมคะอยู่ในห้องจะเป็นตัวฟุง้งซ่านหนูก็แก้ตามมีตำเกิดไปก็ฟุ้งซ่านมาหนูก็เข้ามารู้สึกตัวแต่ว่าเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าเอ้ยทําไมเวลาเราเราปฏิบัติแล้วที่ที่แม่ก็บอกว่ายกขึ้นให้รู้หยุดให้รู้ยกขึ้นให้รู้หยุดให้ ร, ห ร, หรู้แต่ว่า ร, ารู้สึกว่ากําลังเรามันไม่พอแล้วก็จะเข้าไปเพ่งแล้วก็ปวดหัวเพราะว่ามันเหมือนกับ เราตาไม่ดีแล้วไปอ่านหนังสือตัวถี่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพ่งมองมันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองอริยบทใหญ่ที่หลวงพ่อสอนเมื่อวานว่าอายกขึ้นหนักลงเบาอ๋อมันก็เกิดแล้วมันก็ดับนี่นะแล้วก็มองแค่นี้ก็ไม่ไม่ถึงขนาดละเอียดแบบยกขึ้นดับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองมองแบบไปอริยอริยบทใหญ่ๆจากนั้นก็มีแก้อีกตัวก็คือมันมันก็เข้าไป เพลอีกนิดนึงมันก็เลยเหมือนเอาคราวนี้ก็เอาแบบพับรู้สึกคลายแบบพับคลายอ๋อมันก็รู้สึกพับคลายก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ว่าจะศึกษาแต่ว่าศึกษาต่อแต่ก็กลับแล้วอ <c oughs> ไม่ได้เดินเดินนิดหน่อยตอนที่ปิดอารมณ์อะค่ะอย่างเช่นแบบติดความคิดไม่ไหวละแก้ไม่ได้ก็ลุกขึ้นเดินเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ ม อ, มองนั่นมองนี่ดูผนังดูอะไรตาม เ, <อ>าเรื่องเาไม่ได้ดูตอนที่เราเดินว่าเวลายกรู้สึกไงเวลาเหยียบพื้สึกไม่ได้ดูตรงดูค่ะแต่ว่าตอนที่เมื่อวานที่หลวงพ่อดูค่ะหนูดูไม่ทันคือมันอาจจะแบบละเอียดไปสําหรับหนูก็คือมันก็จะกลายเป็นปวดหัวไปหนูก็เลยแตะรู้ยกรู้แตะมันก็เย็นเย็นพื้นเย็นเย็นลบขึ้นพื้ น, น, น, น, นมันก็ไม่เย็นก็ทําไปก่อนคิดว่าสักวันหนึ่งน่าจะเก่งขึ้นแล้วก็น่าจะละเอียดขึ้น ได้ค่ะรายละเอียดยังไม่ได้นะใช่ค่ะรายละเอียดยังไม่ได้ส่งมาให้คุณตุ๊กคุณตั๊กข้างหน้าเนะี่ยตัก๊กให้เก็บอรมณมาหลายวันนะคุณตัก๊กค่ะก็กราบหลวงพ่อค่ะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะค ะ, ะกัลายาณมิตรทุกท่านนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่สองคน ก็ได้ปฏิบัติมามานานแล้วคะ่ะในในสายนี้ก่อนนี้ก็ปฏิบัติสายอานาปานสติมาก่อนเหมือนกันนะคะก็สายหลวงปู่มั่นพอดีท่านพ่อเฟื่องอะวัดอโศการามท่านพ่อมรณภาพก็เลยไม่รู้จะไปไหนพอดีแม่เสียก็เข้าไปที่วัดสนามในเจอหลวงพ่อสม บ, บูรณ์ก็ คือไปไปมาหลายวัดเพื่อจะว่าส่งบุญไปให้แม่ว่าจะส่งบุญยังไงให้ถึงว่าไปเจอหลวงพ่อสมบูรณ์ท่านก็ให้ธรรมะมาว่าจิตนี่มันคิดถึงได้ถึงกันได้ถึงว่าแม่ไม่อยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อพ่อแม่รู้ว่าเราทุกทรมานอยู่อย่างนี้เนี่ยท่านก็คงไม่มีความสุขเนาะถ้าเราทําจิตใจเราให้สงบแล้วก็ปฏิบัติทำอย่างนี้มันก็น่าจะดีกว่า ก, ก็รับได้ใหม่ๆก็ก็ ทำอย่างนี้ไม่ได้ค่ะรู้สึกมันท่าทางมันน่าเกลีดยดยงไงไม่รู้ก็ไม่ยอมทําแล้วตอนหลังก็ก็มาทำํำก็ทำมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาเข้าเข้าคอร์สกับพอาจารย์มหาดิเรก ข, ข่าวหลังนะคะแล้วก็มีประวัติเหมือนคล้ายกับที่ที่พูดมาคือก็ติดไปชุมนุมเหมือนกั น, นะคะ่ะ ไปชุมชุมนุงอยู่พักหนึ่งามเอาแย่เลยะต้องทานอยู่ทานยามาจนบัตนี้เพราะว่าเป็นเป็นความดันสูง <c oughs> เลยต้องทานยาความดันมาตลอดเหมือนกันนะเขาเรียกไปเติมตรงไหนก็ไปแต่ว่าไม่ได้ไปเจอกันนะ <c oughs> ไปงานกุหลาไปงานคนหลาต <c oughs> เราฟังนึกว่าชุมนุมเจริญสตินี้เป็นการชุมนุมถัดการเมืองไปแล้วนะ <c oughs> โอ้โหเป็นานเชียรนับปฏิบัติเราไปไกลขนาดนั้นเลยอช่วงมาติมาปฏิบัติคราวนี้ก็ ได้อารมณ์ดีขึ้นค่ะ เ, เห็นความคิดคือตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าตัวเองจำความฝันของตัวเองได้ค่ะมีอยูสอ่สองวันที่ตื่นมาแล้วอ้อนี่เราฝันเช้าหนึ่งก็อ้อนี่เราฝันจำเรื่องราวในฝันได้ว่แสดงว่าความคิดก็ติดตามไปในขนาดเราหลับเราก็มีคงมีความคิดอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้ตัวเลยแต่นี่ความฝันก็ชัดเจนมากทั้งสองวันเจค่ะแล้วก็ ตามความคิดได้เร็วค่ะตามความคิดที่ฟุ้งซ่านที่เคยลากไปยาวๆเนี่ยตามได้ดีขึ้นแล้วกร็รู้จักจิตตัวเองได้ดีขึ้นมาโอ้มันหลวงพ่อให้ปิดวาจานะแต่ว่าข้างในนี่มันไม่ปิดเลยอะ่ะมันพูดอยู่กับตัวเองตลอดเวลากลับไปนะอย๊ะเออบอกลูกอย่างงี้นะอย่าบอกเพื่อนอย่างนี้นะ อ, อ้อ เพื่อนคนนี้ไม่ได้มาเออทุหน้าจะมาอะไรอย่างเงี้ mm hmm. มันพูดอยู่ตลอดโอ้นี่เราแบบพูดอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ตัวเองอื mm hmm. ก็รู้ตัวเองเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าจิตใจก็แข็งแรงขึ้นสงบการตามรู้กายเนี่ยแก้ไขปัญหาความคิดได้ไหยการตามรู้กายตามรู้กายส่วนใหญ่ถ้าถ้ากําลัง จะเข้าไปดูเรื่องจิตมากกว่าเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ค่อยมีเวทนาทางกายแล้วที่นี่ความคิดในจิตมาได้อย่างไรถ้าไม่มีเวทนาทางกายเออตรงนี้มันข้ามขั้นตอนแล้วนะเออ ม, มันต้องมีเหตุอะก็ามาได้บอกเสมอว่าเวทนาที่ออกมาเป็นความคิดเนี่ยคือมันผ่านมาทางกายก่อน เมื่อเราตามความรู้สึกเวทนาทางกายไม่ทันมันก็หลุดเข้าไปเป็นความคิดทีนี้เข้าไปดูความคิดเลยเราก็ไปดูเอายอดมันแต่ไม่รู้ต้นมาจากไหนเราจะแก้ไขเวทนาทางกายมันคล้ายกับว่ามันแก้ไปได้เหมือนกับมันไม่มีปัญหาค่ะหลวงพ่อเออนั่นแหละมันแก้ได้แต่ทําไมมีความคิดอ่ะมันมันไม่มีเวทนามันนั่งได้นานๆถ้ามันปวดนิดหน่อยเราพอรู้เราก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกว่า พอเราทนได้เราเราก็ทนก่อนนะคะเวทนาเนี่ยเราทนก่อนจนถึงขั้นที่ว่าเราทนไม่ได้แล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนไปได้ได้ดูความคิดเนี่ยเราได้ดูว่าความคิดเกิดจากที่ไหนนี้ได้ดูต่อไปไหมความคิดมันก็มาเองเจ้าค่ะหลวงพ่อมันมาเองนะมันนึกจะมามันก็มาอ๋อมันเจ้ามีที่มาคือเวทนาที่เราไม่ได้ดูนั่นแหละมันเปลี่ยนเป็นความคิดเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณสามตัวรวมเป็นความคิดทั้งนั้นพอเราจาะเวทนาไว้ชัดสัญญาสังขารวิญญาณปุ๊บเกิดเป็นความคิดได้เลยถ้าไปดูที่ความคิดก็ไปดูนั่นแต่ไม่ดูต้นตอมันเพราะฉนั้นเ่าเน้นที่จะให้ดูเวทนาทางกายให้ชัดๆแล้วความคิดก็จะเกิดไม่ได้พราะต้นต่อไปจากตัวนี้เพราะพราะว่าเวทนาเราผ่านไปแล้วไงเจ้าค่ะหลวงพ่อพอเราผ่านเวทนาเข้าไปเนี่ยจิตมันก็มีกําลังค่ะมันก็เข้าไปดูความคิดเองได้ นั่นทีถ้าหากว่าเวทนามันผ่านหมายความว่าไม่มีเวทนาใช่ไหมไม่มีเวทนาเจ้าค่ะแล้วความคิดมาจากไหนเนะ่ยก็ความคิดมันมาได้ตลอดเวลานะมันต้องมีที่มาเจ้าค่ะมันก็มามันเพราะว่าคิดว่าจิตเรามีกําลังเราไม่ต้องไปสนใจกับคุณว่ า, า, าแล้วก็ขันห้ามีอะไรบ้างขันห้ารูปใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่าสังขารวิญญาที่นี่ความคิดเป็นตัวไหนทั้งห้าตัวเนี่ยความคิดเป็นวิญญาณเจ้าค่ะ รูปเวทนาสังขารความคิดก็เป็นสังขารด้วยอันนึ่งอ่าสังขารด้วยรูปก็เป็นสังขารความคิดก็เป็นสังขารเป็นสัญญาด้วยเป็นสัญญาด้วยสัญญาเกิดจากอะไรสัญญาก็ก็ไปดึงเอาเรื่องเก่าๆมาไม่สัญญาเกิดจากเวทนาสัญญาเกิดจากเวเวทนาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเวทนาไม่ชัดสัญญาสังขารก็ปรากฏต้องกลับมาดูที่ตัวรูปเวทนาให้ชัดมาแก้ไขที่รูปเวทนาอย่างสมมติว่า เขาทําหุ่นไล่กาเนี่ยนะหุ่นไล่กามันแสดงเนี่ยตัวหุ่นล่กาเองเนี่ยมันมันดิ้นเองได้ไหมเคยเคยดูดูอยู่ค่ะดูนะเคยหุ่นนันมันมันมันแสดงเองมันดิ้นเองได้ไหมหุ่นไล่กาหรือหนังตลุงอะที่เขาใช่ไหมมันมันแสดงเองได้ไม่ได้นะมันจะต้องมีตัวอยู่เบื้องหลังใช่ไหมใช่ค่ะอ่า แลความคิดที่มันแสดงมั น, ม, นมันเกิดเองไม่ได้มันจะต้องมีตัวตัวเบื้องหลังที่แสดงออกอันนั้นคือตัวเวทนาเวทนาเชื่อมมาจากทางกายไปสู่ทางจิตทางจิตคือสัญญาสังขารวิญญาณนะเพราะนั้นเราจะดูความคิดต้องมาดูกายให้ชัดความคิดมันก็จะดับไปเองถ้าไปดูความคิดเลยโดยที่ไม่สนใจเวทนาดูเท่าไหร่ก็ไม่จบมันก็ไหลมาเรื่อยๆมันผ่านเวทนามาแล้วไงเจ้าของเขาว่าผ่านหมายความว่ า, วามันไม่มีเราจัดการกับเวทนาได้ใช่ไหะ คือเวทนาไม่เป็นอุปสรรคแล้วเวทนามีสมระดับนะเวทนาทางหยาบเวทนากลางเวทนาละเอียดเวทนาที่โรผ่านแล้วเวทนาทางหยาบแล้วแต่กลางกับละเอียดเราไม่ไม่ผ่านไม่เห็นไอ้สองตัวนี้แหละมันถึงจะไปเป็นตัวรักคิดไงตัวลักคิ ด, คดเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นเน้นให้ดูตัวเวทนาหรือรูปนามเนี่ยให้ชัดมากๆเลยแต่ว่าโยมปฏิบัตินี่ไ ม, ไม่ไม่มีเวไม่ค่อยมีเวทนาเจ้าค่ะก็เลย ก็เลยเข้าไปดูในจิตได้เพราะว่าจิตมันแข็งแรงมันจะบอกว่าไม่สัมผัสเวทนากลางละเอียดไม่ได้รู้จักแเวทนาหยาบหยาเย็นแล้วอ่อนแข็งเค่งตึงที่มันหยาบหยาบใช่ไหมเย็นแล้วอ่อนแข็งเ่งตึงอย่างสมมติว่าระบบที่ข้างในที่มันรู้สึกเย็นแล้วแลตึงละเอียดซึ่งเราจะไม่รู้สึกเลยเป็นไปไม่ได้แต่รู้สึกแต่ว่าเราไม่ได้ เฝ้าดูมันชัดๆทนั้นเองก็อย่างที่หลวงพ่อบอกใช่ไหมฮะเวทนาแต่เ่อเรานั่งอยู่อย่างนี้เราเจ็บเจ็บมากเราก็เจ็บพอทนได้เราก็เปลี่ยนเราก็ดูเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่อแอร์มากระทบเราในช่วงที่ว่าดูจิตเนี่ยคุณอยู่ในอิทธิบทไหนได้ทุกอิทธิยบทนะคะหลวงพ่อนั่งก็ได้เดินนั่งได้นั่งนี้มีเวทนาไหมนั่งเวทนาเจ้าค่ะมันผ่านได้ไงบอกว่ามันผ่านแล้วอะ มันอย่างนี้ค่ะเว้นมันเมื่อยใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนมันก็หายหายแล้วก็เกิดใหม่อีกมันก็เกิดใหม่เป็นวงจรหลวงพ่อว่าใจรักใช่ไหมตอนนั้นแหละมันก็ไปผลิตเป็นความคิดเพราะฉะนั้นอยูปรับเวทนาทั้งหยาบกล่างละเอียดอยู่เสมอเสมออาจจะเป็นอย่างนี้ที่ว่าอ่าไม่เข้าใจคือตัวเองก็ปรับไปเองอย่างที่หลวงพ่อบอกอ๋อปรับปรับไปเองปรับมีสองอย่างนิดเดียวปรับเพียงนิดนึงเพราะว่าเราเคยเราคุ้นเคยกับการ นั่งนานๆอย่างนี้เราปรับไปนิดนึงเวทนามันก็หายแล้วเจ้าค่ะเดินก็เหมือนกันเพราะพอเราผ่านเวทนาได้เดินเราก็วันแรกนี่แย่ค่ะเจ็บส้นเท้าปวดหลังอบอกให้คุณจิฟังรู้สึกปวดหลังเพราะว่ามันง่วงมากก็เลยเอาเดินเป็นหลักเดินจนเอาอย่างนีค้คุณทุกคุณกลับไปดูเวทนาใหม่เพราะว่าบอกว่าผ่านเวทนาหลวงพ่อมไม่ผ่านนะถ้าผ่านเวทนาเนี่ยความคิดมันจะไม่ปรากฏ ต้องไปดูตัวเชื่อมด่อยได้ว่าความคิดมันเกิดจากไหนนะเพราะฉะนั้นจุดนี้หลงพไม่ได้ไปถามรายละเอียดลองเราไปดูเวทนายเวทนามันมีสามระดับเวทนาหยาบคือเวทนานี้จะทนจ่ยากนะคีอทนไม่ได้เวทนากลางเวทนาที่ทนได้สบายแล้วก็เวทนาละเอียดเวทนาที่ไม่ต้องทนที่ทนไม่ได้เลยคือง่วงเจ้าค่ะนิวรนเวทนาไหมนิวรนี่ทนไม่ได้วันแรก ความง่วงเป็นเวทนาไหมความง่วงก็เป็นเวทนาค่ะเป็นนิวร์แต่ว่าเป็นเวทนานนอันนั้นอันนี้อย่างหนักมากนั่น oh, หัวสุกหัวซุนนั่นแหละเวทนานะสู้ไม่ไหวอันนี้อันเดียวค่ะที่สู้ไม่ไหวครับอย่างอื่นก็นอพอดูได้รู้ทัน<า>เรื่องเวทนาไปศึกษากที่นี่ถ้าหากว่าไม่ละเอียดพอเนี่ยมันก็จะไปข้างหน้าได้ยากนะขอจากคุณจารุดาที่จะร่วรข้างหลังเราคุณใหม่นี่นะคุณใหม่เพิ่งมา รู้ว่ามีความเข้าใจในหลักการที่เราปฏิบัติมาห้าหกวันนี่ไงบ้าเข้าเช่นก่ากราบหลวงพ่อแล้วก็พระคุณเจ้าทุกรูกกับพี่เพื่อ น, นนักปฏิบัตินะคะก็ครั้งนี้มาครั้งแรกก็ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อมาเลยก็น้องส่งมาคะ่ะแล้วก็เขาส่งคลิปส่งอะไรไปเราก็เอ๊ะคำของหลวงพ่อที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันก็โดน แต่จำไม่ได้โดนโดนเป็นระยะระยะก็พอน้องบอกว่าให้มาที่นี่แล้ว เ, าเราก็เอาวะก็ดีเหมือนกันเจ็ดวันเข้มแข็งเข้มดีชอบแบบเข้มเข้มเพราะว่าอยู่บนเส้นทางการปฏิบัติก็ปฏิบัติ อ, อยู่ในสายครูบาอาจารย์สายวัดป่ามันก็จะตันในหลายๆเรื่องว่าเอ๊ะทำไมตัวสติสัมปชัญญะมันไม่โตคือ มันไม่เติบโตไปที่จะทําให้เราเนี่ยแบบพ้นทุกไปเรื่อย ๆ, ๆรู้สึกว่าเราทุกน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีกปกปแต่ทําไมทุกไม่หมดจดจิตแล้วก็ยังเป็นคนที่ เ, เหมือนกับขี้โกรธขี้หงุดหงิดแล้วก็อะไรไม่ได้เนี่ยก็จะแบบไม่เคยทนเลยอยู่บ้านนี่ก็คือทุกคนจะไม่อยากอยู่กับเราเพราะว่าเราจะต้อง ไอ้นี่อนนีนนนนน่ทุกเรื่องเป็นก็จะบอกกับที่บ้านว่าคนเรามีชีวิตอยู่มันต้องอยู่กับเหตุผลและความเป็นจริงเราก็จะกลายเป็นคนบา้าบอแบบนี้กับทุกเรื่องทุกอย่างคนอื่นก็จะรู้สึกวิอยู่ ใ, ใกล้ๆนีๆ่มันเรื่องมากจริงๆไอ้นี่ก้นูนนนจะใช้น้ำจะอะไรต้องแบบ คุณค่าของโลกของธรรมชาติอะไรต้องจะกินข้าวกินปลาลูกน้องในผักชีต้นหนึ่งอะไรก็บอกว่าเขาจะปลูกมาได้นะเธอมันทิ้งมานะเธอคิดคิดคดูซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้ตลอดแต่คือจะเป็นคนที่แบบว่าสอนสอนสอนคนแล้วเป็นเป็นหลักอยู่ในบ้านในเรื่องของการปฏิบัติเพราะคุณแม่ก็เป็นคนปฏิบัติอย่างเวลาที่เ อ, อวัววๆวใส่กันนะหมายความว่ า, วาทุกคนมีมทะเลาะกัน กระทบกระแทกอะไรเงี้ยเราก็จะบออ้าวบ้านเนี้ยเป็นบ้านผีบ้าทั้งบ้านเลยอะไรเงี้ยค่ะคนก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่ทำไมมันพูดจาแบบนี้เนาะเราก็รู้สึกว่าเราชักจะประหลาดใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะทำไมเราเราอยู่ของเราคนเดียวก็โอเค แต่ทำไมพออยู่กับคนอื่นทําไมเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเข้มงวดกับคนอื่นไปหมดแล้วเราก็ยึดไอสิ่งที่เราเชื่อเราเป็นเราทํามาอย่างนี้เราก็ไม่อยากเป็นแบบนี้ค่ะก็พอดีพอดีรู้ก็เลยมาคราวนี้วันแรกไงเนื่องจากว่าอดนอนนอนไม่กี่ชั่วโมงก็หลับหลับหลับจนพี่จีค่ะต้องแบบไปไปไปไปล้างหน้าไปล้างหน้าเดี๋ยวก็แล้วก็โอเค แล้วเราก็พยายามแต่คราวนี้เนี่ยพอมามาเนี่ยมันมันรู้สึกว่าโอ้ตรงเนี้ยคือคําตอบเพราะว่าเคยนั่งแบบนานๆไม่ขยับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าร่างกายบอบมากๆบอบคือบอกสงสัยเราจะต้องเดี่ยงซะก่อนนะกว่าที่เราจะเข้าถึงมรรคถึงผลมันก็ขยับขยาดเวลาจะนั่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีกติกาเหมือนกับมันเป็นความจําที่มันอยู่ในหัวว่วา นั่งครั้งหนึ่งเนี่ยต้องสามชั่วโมงไม่ลุกอะไรเงี้ยแรกๆมันก็ทำได้พอหลังๆเนี่ยมันชักจะเฮ้ยแยงแล้ว <laughs> กี่นาทีเราก็เลยถอยแบบนี้ค่ะในจิตมันก็จะกลัวกลัวตรงนี้กลัวเวทนานี่ค็กลัวมากแต่มันก็เคยมีปรากฏการณ์ทางจิตที่เราได้ไ ด, ได้ได้เข้าใจเวทนาความเป็นจริงของเวทน า, าแล้วเราโอ้พระ พ, พุทธองค์ส่งสอนอย่างนี้ธรรมะอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าจริงๆแล้วมันขแยงอยู่ข้างในพอมาที่นี่มันรู้สึกโอเคนะเวลาที่ง่วงเราก็เปลี่ยนอิเลียบทเพราะมันไม่ต้องกี่ชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงมันเอาตัวความรู้สึกตัวเป็นหลักซึ่งเรารู้สึกว่าตรงนี้มั น, มนชัดเจนมากก็มาเนี่ยออสองวันแรกที่อยู่ข้างนอกอย่างสอ ง, สองช่วงแรกๆ ก, ก่อนที่จะเก็บอารมณ์เนี่ยรู้สึกเยทาไมข้างในมันเงียบลงเยอะมากมันเงียบ เงียบข้างในไม่มีอะไรความคิดก็เข้ามาน้อยมากๆแต่พอไปเก็บอารมณ์เนี่ยเอเดี๋ยวเราจะต้องวางแผนไปแพร่นะไปพยาวแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดทริปให้แม่เราน้องเราหลอกไปเที่ยวแล้วก็หลอกเข้าวัดอะไรแบบนี้ก็จะมาใหญ่เลยค่ะเวลาอยู่ในห้องแล้วก็ แต่ว่าการรู้อารมณ์แล้วก็รู้อิรยาบทเนี่ยรู้ได้ละเอียดขึ้นเพราะเป็นคนที่ไม่เคยทนกับอะไรร้อนต้องทันทีคันต้องเกาหิวต้องกินอะไรแบบนี้ไม่เคยทนพอหลวงพ่อให้อุบายมาก็ทำรู้สึกว่าโอ้มันก็เข้าไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในขณะที่ความอยากของเราที่จะทำอะไรแล้วเราเราเข้ามาดูมันไม่ทำตามก่อนคือเบรกกายไว้ก่อน เบรกกายก่อนแล้วเข้ามาดูที่ข้างในว่าความอยากพอเห็นความอยากปุ๊บเราจะเห็นความอยากเนี่ยมันไม่มันไม่คงรูปมันก็ยุกกรยี่ก็ยี่คือมันปรับเปลี่ยนไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเจ้าคะก็คือมันปรับเปลี่ยนของมันจนมันดับไปแล้วเป็นอย่างเนี้ยหลายๆครั้งจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันแค่นี้เองนะเนี่ยตรยลักษเนี่ยมัน ปรากฏแก่จิตเป็นระยะระยะระยะระยะเอ้ยอย่างงี้มันก็ง่ายดิเพราะว่าพอเราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยความที่เราจะไปเชื่อลมความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันจะเบาลงเราก็จะไม่ไปตามทางของมันแรงดึงมันน่ะน้อยน้อยลงแล้วอย่างเวลาจะนอนอย่างเงี้ยเฮ้ยเวลาจะนอนก็พยายามให้รู้สึกตัวเฮ้ยมันรู้กระพริบตาด้วยนะกระพริบตากระพริบกระพริบกระพริบไปจนหลับอะค่ะ มันก็เป็นเป็นอะไรหรือเข้าห้องน้าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยจะสังเกตสังเกตพวกนี้ไม่ทันแต่มาที่นี่มันจะสังเกตทันขึ้นนะคะทันมากกว่าเดิมหรืออารมณ์เนี่ยยังมันติดใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอันนี้นูน้นเราก็เอ๊ะมันก็ตามไปดูในความความความคิดความอยากเนี่ยมันจะไวแล้ววงจรมันะ่ะมันจะเหลือสั้นๆ แต่ในขณะเดียวกันที่เราเห็นมันสั้นๆเนี่ยการที่ตามรู้อิริยาบถคือเมื่อก่อนมีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่สติเราเนี่ยมันต่อกันได้เป็นขีดเนี่ยเราเป็นพระอรหันต์แน่ๆเลยแต่ทุกวันเนี่ยนี่คิดเอาเองนะเจ้าคะ่ะแต่แต่ทุกวันเนี่ยสติเราอะ และความรู้สึกตัวมันเป็นจุดเหมือนไข่ปลาแล้วก็จุดห่างๆซะด้วยเพราะฉะนั้นมันรั่วเข้ามาหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องความคิดอะไรอะไรมันรั่วเข้ามาทั้งโมโหทั้งอะไรทั้ ง, งหมดทั้งร้อนทั้งอะไรก็รั่วเข้ามาหมดคราวนี้เรารู้สึกว่าชีวิตเราก็คือต้องเติมจุดไข่ปลาเนี้ยให้มันทีๆๆทจนกระทั่งวันหนึ่งมันเป็นเส้นตรงคราวนี้เนี้ยเวลาที่รู้สติแบบนี้ที่เราเคยทํามามันจะรู้แบบโอเคนั่งนะ แล้วจบแต่ครั้งนี้ค่ะมันได้ยังได้คุยกับพี่ที่มาด้วยกันบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะคือพอความรู้สึกตัวเรามันเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นจากที่เป็นจุดที่เรารู้ว่าอ่านั่งอยู่มันไม่ใช่ละมันสังเกตลากยาวมันเหมือนจากจุดเนี่ยมันเป็นขีดพอเห็นเป็นพอมันเป็นขีดนั it, ่นหมายความว่าเรามีการตามมันได้ยาวขึ้ น, นพอตามได้ยาวขึ้นปุ๊บเนี่ย ร่างกายเราหรืออะไรเนี่ยมันก็ถูกครอบด้วยไตรลักษณ์มันก็จะเห็นไตรลักษณ์ถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เราบอกโอ๊ยเข้าใจละยังพูด ก, กับพี่เขาบอกว่าเข้าใจแล้วแหละว่าทําไมหลวงพ่อเทียนท่านถึงบอกว่าเ อ, อจะเหยียดแขนคู้แขนหรือจะเหลียวซ้ายแลกขวามันต้องรู้อย่างนั้นอูเราเริ่มเห็นทางเจ้าค่ะว่าเนี่ยมันคือทางแล้วก็เข้าใจว่า ขนทางที่จะกลับไปใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะทํำยังไงแล้วก็ชอบใจมากทั้งหมดเลยที่เป็นคอสนี้ก็คือเรื่องที่หลวงพ่อนําออกกําลังกายแล้วมีการออกกําลังกายตอนเช้าซึ่งเราไปที่ไหนหๆเนี่ยก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเลยแล้วก็น่าโอ้โหเส้นที่ตึงเมื่อคืนยังไม่หายเลยเช้ายังคลายเส้นไม่ออกวันนี้เอาอีกแล้วไปๆไปก็คือเดี่ยง คราวนี้หลวงพ่อบา l a n c ์ฟ i s c a l m e n t นเ i อรอะไรไปพร้อมๆกันซึ่งตรงนี้บอกที่ไหนจะมีอย่างนี้เราหาไม่เจอสักทีอันนี้คื อ, <c oughs> ค, อคือจุดที่ประทับใจมากคอหน้าคงจะได้เพิม่มอีกสักหน่อยหนึ่งพอสองร้อยไปสามร้อยแน่นแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากก็คือเรื่องอาหารเพราะว่าเป็นคนที่สนใจสุขภาพอาหารการกินเนี่ย คือถ้าเป็นคอร์สแบบนี้เรากล้ากินทุกอย่างแต่ไปบางคอร์สบางที่เนี่ยเราไม่กล้ากินอาหารเลยกินแต่ข้าวแล้วก็ผลไม้เพราะการใช้น้ำมันอาหารเป็นทอดไม่อะไรแบบเป็นแบบอะไเป๊ะปาไปหมดเลยอันนี้แทบเราจะกินผักแทบจะเป็นออร์แกนิกอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าจะทานอะไรก็สบายใจแล้วก็เป็นผักเป็นผลไม้ไม่มีเนื้อสัตว์ แล้วก็ไม่มีอะไรที่ทอดๆเยอะมีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทานแล้วเราในร่างกายเราก็ไม่ฟ้องว่าเพราะไปทานอะไรที่มันมันปนเปื้อนแปลก ป, ป, ป, ปลอมมากเนี่ยจะมีอาการแล้วก็รับไม่ได้แต่นี่มาเราก็ไม่เป็นก็รู้สึกว่าโอ้โห with, ดีจังเลย <slips S 2> โอ้โมทนาสาธุนะมมทนา ส่งไปให้คนข้างหลังเออคุณไดนะคนใหม่นะคนใหม่ฝังคุดใหม่ด้วยคือโยมคุณเดี๋ยวขอเติมคุณจารุดานิดหนึงว่าค่อนข้า ง, ง, งสังเกตน้องก่อนแะค่อนข้างสังเกตละเอียด น, นะเ<ม><ม>พราะเนื่องจากมีฐานสมาธิมาม า, มาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้เป็นผลดีเราะนั้นลองเอาไปสังเกตเรื่องไตรลักษณ์ให้ชัดกว่านี้ทุกครั้งที่เราสังเกตไตรลักษณ์ชัดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไตรสีขาวมันเองนะแล้วมันก็จะ ความรู้สึกตัวมันก็จะละเอียดขึ้นเพราะเราต้องการศึกษาสองหลังนะาาเนี่ยเมื่อใดเผลอเป็นใจรักเมื่อใดรู้เป็นไตสิขาทุกครั้งมันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราต้องการให้เป็นไตสิขาแล้วก็มีความพยายามละอย่างใจรักในไม่ต้องพยายามเลยใช่ไหมแค่แค่ไม่ทั้งใจรู้มันก็เป็นละอันนี้อย่างเง้ศึกษาต่อขึ้นนะเขอเชิญคุณคุณน้องใช่ไหมชื่อคุณน้อง ชื่ออัชาราค่ะมาปเป็นไงบางเที่ยวนี้เออที่เคยเจอหลวงพ่อที่ยุ่อพุทธที่กรุมพาที่ผ่านมาค่ะก็แล้ว เ, เคยให้หลวงคุยกับหลวงพ่อสักสี่ห้านาทีอะค่ะหลวงพ่อก็บอกว่าเธอกลับมาใหม่นะฮะมาอยู่แบบเจ็ดแปดวันอนะเธอจะได้ฟักไข่ให้เป็นตัว <laughs> แบบเนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ย แต่ก่อนหน้านั้นเคยเจอหลวงพ่อที่หอจดหมายเหตุสองครั้งแล้วก็รู้สึกว่าพระอาจารย์ท่านเนี้เป็นพระอาจารย์ที่สอนศาสนาพุทธเชิงวิทยาศาสตร์เหมือน เ, อเหมือนยังไงนะเหมือนมีการทดลองว่าตั้งสูตรแบบนี้ทําแบบนี้แล้วออกมาแบบนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อเป็นคนที่พูดภาษาธรรมดาแล้วภาษาพระเรียกว่าบาลีใช่ไหมคะแบบ โห ย, ยากนะแล้วคนปกติแต่หลวงพ่อจะแปลและกลายเป็นเอ๊ะทำไมเราฟังให้เราเข้าใจแต่จริงๆจำไม่ได้นะคะหลวงพ่อพูดแล้วจำไม่ได้แต่ณขณะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันบันทึกไว้นะจริงๆแต่ว่ามันพูดเหมือนพูดเหมือนหลวงพ่อเนี่ยพูดไม่ได้แล้วพอออกจากยุคพูดใช่ไหมคะก็กลับไปใช้ชีวิตปกติเดือนหนึ่งก็ไปหอจหมายเหตุบ้างแต่ทุกวันพุธเนี่ยจะต้องไปบ้านอาลีเพื่อไปฝึกตั้งแต่บ่ายโมงถึงสองทุ่มแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยคะ่ะ แล้วมันพอมันฝึกมากๆต้องใช้คำว่าวิธีนี้ต้องฝึกมากๆออพอกลับถึงบ้านเนี่ยจะฝึกชาเ ป, เป็นแม่บ้านไม่มีอะไรทำก็บางทีก็ทำได้ชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงแต่ทำทุกวัน แล้วก็ทําเคลื่อนไหวแต่บางทีก็ฟังหลวงพ่อคําเขียนเทศด้วยทําด้วยบางทีก็ฝึกที่จะนั่งคนเดียวแล้วทําอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พอมันทาํามากเนี่ยมันจะกลายเป็นอัตโนมัติในการเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราจะเหมือนมันใสเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องพยายามมากเหมือนวิธีการฝึกแบบอื่นไม่ต้องเห็นเนอเอื้อมหนาะมันไม่ต้องมันจะแบบ จับรู้เคลื่อนไหวรู้เดินรู้แต่มันไม่ได้เยอะนะคะหลวงพ่อไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่มันเหมือนเป็นการทำที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามพอเราไม่พยายามเนี่ยเราก็มันทำง่ายเรารู้สึกว่าเราทำได้พอทำได้เรายิ่งอยากจะทำเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันไม่ยากเคะ่ะเหมือนกับทำอะไรเราก็มีความรู้สึกทีนี้ที่จะบอกว่าถ้าเห็นเธอรู้ได้ยังไงว่าวิธีนี้ดีคือเป็นคนที่ พูดตรงๆมีปัญหากับสามีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอมีวิธีของหลวงพ่อเนี่ยนะคะจริงๆแล้วไม่รู้ว่าทําไมแค่การพลิกมือทําให้เราเห็นความคิดที่เราเราเห็นความคิดเห็นเป็นเห็นคิดไม่รู้ตัวไหนบอกเราว่าแบบนี้ไม่ถูกแบบนี้ไม่ใช่เธออย่าทำเหมือนเรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งคอยบอกเราในหัวเราบางทีเราอ้าปากมันก็บึ๊บ เยอะอะไอย่างเงี้ยค่ะบอกเราคือไม่รู้จะอธิบายให้หลวงพ่อฟังยังไงว่ามันว่ามันมันมีอีกตัวหนึ่งเข้ามาในตัวเราแล้วมันกลายเป็นว่าเราอะเปลี่ยนนิสัยใจคอเหมือนที่หลวงพ่อพูดเหมือนไอ้ฝุดอย่างนี้มันมันเปลี่ยนได้ยังไงอะหลวงพ่อเหมือนเรากลายเป็นคนเมตตาขึ้นคือว่าเป็นคนไม่ร้ายกับคนอื่นนะคะยกเว้นสามีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแปลกมากเลยเป็นเหมือนไม่รู้จะเรียกว่าคู่บุญคู่กรรมอะไรเหมือนกับ ต่างคนต่างเขียวใส่กันแต่พอเรามาเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนพอเรามีความรู้สึกตัวแค่เราจะพูดจากกับเขาเราไม่ต้องตั้งใจเลยแค่เรามันออกมาจากข้างในความรู้สึกดีๆมันแต่หลวงพ่อพูดได้ฟังให้เคลียร์แต่มันจะมีบางวันเพียงพ้านะคะคือบางวานันหลังจากฝึกแล้วมันก็มีวันเพียงพ้าหลวงพ่อแต่ข้อดีข้อ ด, อดีจากเคยเพียงพ้าทีโอหลวงพ่อต้องเจอคนอย่าง เรียกเราต้องเรียกตัวเองไว้ยโยมใช่ไหมคะสามารถบ่นคนได้สองวันสองคืนแบบแล้วเชื่อป่ะคะไม่รู้เขาเอาที่ไหนมาอดทนเราเขาก็สู้เราได้แต่มันอยู่ด้วยกันได้แบบอะไรแต่พอฝึกแนวหลวงพ่อเทียนนะคะมันเวลามันสั้นลงอะหลวงพ่อสักสองวันมาเริ่มเหลื อ, อจริงๆนะพูดจริงๆนะเหลือแปดชั่วโมงเหลือสี่ชั่วโมงแล้วเหลือบางทีเริ่มต้นจะบน่นและจากนั้นมันก็กลายเป็นว่า ชวนกันคุยเรื่องอื่นที่ดีโดยที่มันโดยทีม่มันมันมีคนพาหลวงพ่อรู้ปะโยมันคนใจร้อนตั้งแต่เด็กยันโอ้ยยันฝึกฝึกฝึ ก, ก, กพองหนอนะคะเขาปล่อยจากคลอสปุ๊บสามีรับชาเหรอคะ ไม่เคยพูดคาว่าเอาบุญมาฝากสามีอะหลวงพ่อเขาขาับรถไปรอบถึงฉาเชิงเซาไม่ไม่ไม่เคยมีความแคร์ใครไม่เคยมีใจอะไรแบบแต่ว่าไม่ใช่คนใจดำเป็นคนใจดีง่ายๆกับคนทั่วไปแต่ว่าไม่เคยรู้จักตัวเองแต่พอมาฝึกแนวหลวงพ่อเทียนหูเรารู้จักตัวเราเองหูเราน่าเกียรติมากเลยข้างในเราอย่างงั้นอย่างนี้แล้วมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งไม่ต้องเถียงเลยค่ะเพราะมันจะมีตัวจริงไม่ใช่ที่ที่เราอยูุ่ ตัเนี้ยตัวปลอมของมันจะมีตัวจริงอีกตัวหนึ่งซ้อนอยู่ในกายของเราจริงๆหลวงพ่อเลยเป็นวิธีที่แบบว่าแล้วยิ่งเจอที่หลวงพ่อพูดถูกตอนหลวงเจอหลวงพ่อครั้งแรกบอกคนเราต้องมีการยาณมิตรก็คิดจะอยากได้พระเป็นการยานามิตรไหมก็ต้องไปแต่พอมาเจอหลวงพ่อเนี่ยนะคะเป็นพุ่งจริงนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของโยมจริงๆนะคือว่าเจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อรู้ปะ โยมเกิดมาจำบัดโยมไม่ยอ ม, มนอนคนเดียวเด็ดขาดที่อื่นนี่ยไม่ต้องพูดเลยทําถ้าไม่ใช่หลวงพ่อไม่มีทางมามาวันแรกกลับเลยพูดตรงๆหลยหูโยมนี่สุดยอดแล้วแต่บอกได้เลยว่าถ้ามีหลวงพ่อเป็นเพื่อนเดินทางนะคะพร้อมจะเดินทางแต่ยกถ้าที่นี่นะหลวงพ่อไก่ ไกลวันนี้ยังมีครอบคือกะเทยอยู่เอาไปเอามาจีบหลวงพ่อหรือเ่าวันี้เปล่าเปๆๆาเปลไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเจตน า, น เ, าเลยหลวงพ่อเป็นเป็นเป็นเป็นคนที่นับถือหลวงพ่อเป็นครูบาจะอ่านเฟซบุ๊กหลวงพ่อทุกวันวันนี้หลวงพ่อสอนอะไรอแบบนี้แบบนี้แต่พูดจริงๆนะคะไม่ได้ทําได้หรอกแต่มันบางอย่างมันฝังโดยอัตโนมัติแล้วพอเราทําปุ๊บเราจะคิด น, นี่ไงที่หลวงพ่อสอนอะไรอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อพูดที่หลวงพ่อเป็นที่หลวงพ่อบอกอะไรเงี้ยแล้ชอบวิธีของหลวงพ่อที่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนโยบให้เป็นคนรู้เรื่องเป็นคนไม่รู้เรื่องมาตลอดชีวิต <c oughs> หลวงพ่อพูดในคอสนี้พูดคําหนึ่งเรื่องศักยะทิถี<อ>ตัวเนี้ชัดเจนมากเลยนะออคําว่าศักยะคุณเห็นศักยะทิถีได้ชัดเจนมากเลยโอ้หโหลวงพ่อมันเหมือนจะไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงดเงีเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไม่ต้องเถียงมันด้วยนะคะมันไม่มีคํามันไม่มีคําแก้ตัวคํา มันเหมาันมันมันลีบอลใหม่เลยอะที่ที่คุณบอกว่ามันมีอีกตัวหนึ่งอะใช่ไหมมันคอยดูอยู่ว่ามันอะไรตัวนั้นที่เขาเรียกพุทธภาวะซึ่งความจริงทุกคนมีอยู่แล้วนะแต่เนื่องจากว่าบางทีเราไม่รู้จักเขาควาจริงเราไม่ใช้ศัพท์ธรรมดาว่าสามัญสำนึกใช่ไหมโดยสามันสำนึกเนี่ยตัวนี้คือพุทธจิตแต่ถ้าหากว่าคุณรู้จักเนี่ยเขาเรียกคุณได้กระยามิตรในตัวเองเลยใช่ไหมแต่ว่าที่นี้เราจะทําให้เขาเข้มแข็งค่ะ ต้องให้โอกาสให้เวลาแต่ว่าโดยที่คุณใส่ใจต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้กิริยามิตรเนี้ยเด่นชัดขึ้นตอนนี้คุณสามีคุณมีความสุขมากเลยเหรอดีขึ้นกว่าเดิมเยอะหลวงพ่อ โย่เป็นคนมหาสารเ จ, จนที่สุดแต่ถ้าวันไหนว่างๆจะเล่าให้หลวงพ่อฟังถ้าสมมติว่าเล่าเรื่องชีวิตของโยให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อเอาเก็บไปสอนคนได้อีกออนไลน์กอได้น็มหาศจรเจนนะอยู่เขา้ขาทนคุณคุณทนได้นอ้องต่างคนต่างทนเขาก็ม<อ>ีอะไรเขามี โยมเป็นคนที่สามารถทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้แต่ว่าเพราะแนววิธีของหลวงพ่อเทียนโยมเคยแบบกอดเสาแล้วแบบทำยังไงดีอะความทุกข์มันมันมันอยู่ตรงไหนของร่างกายนี่หลังจากฝึกวิปัสสนามาแล้วนะคะวิปัสสนาสวดมนต์ทุกวันด้วยคือจะออบอกว่า คือเป็นคนทํามาหมดทุกอย่างทําบุญทําทานแต่พอทุกเกิดขึ้นนะหลวงพ่อแล้วไม่ได้ดั่งใจนะหลวงพ่อเข้าใจเลยว่าทําไมคนบางคนหาทางออกไม่เจอแล้วคิดสั้นเพราะเขาต้องการอยากให้มันหายไปเดี๋ยวนี้โยมก็จะต้องต้องหายไปดูนี้มันจะมันมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนเนี้ยโอ้หลวงพ่อมันทรมานเลยนะทรมานโอทรมานมันต้องทุกข์ขนาดนี้มาถึงเจอนะโอ๊ยยังบอกเลยว่าขอบคุณความทุกข์แบบาถ้าเธอไม่มานะ ฉันจะเป็นคนที่เกิดมาตายเปล่าคือแบบเกิดมาทิ้งชีวิตนะ่ะหลวงพ่ อ, อไม่เห็นคุณค่าใดๆในชีวิตเลยอะ่ะพอแบบถึงได้บอกก่าหลวงพ่อเป็นการเป็นการอริยนามิสตูสาธุหน่อยสาธุยืนในคุน้ค้าข้างเสานั่งกิงซะวันนี้คุณจะมีอะไรที่นี่เมื่กันชื่ออะไรนะปินค่ะ มีอะไรบ้างครสนี้ที่มาเข้าแล้วคนแรกคนใหม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคือเป็นไงบ้างก็กล่าวนมัสการหลวงพ่อนะคะก็วันแรกที่ยังไม่ไม่ได้แนะนําตัวนะคะเพราะว่าอยากจะลองแล้วตั้งใจปฏิบัติก่อนนะคะค่ะก็ซิลินนะคะก็ชื่อพักพัฒน์สอนพง์วชิลธรรมนะคะก็ที่มาที่ไปก็มีกัลยาณมิตรที่ดีะค่ะแนะนําให้ ปฏิบัติกับหลวงพ่อนะคะว่าหลวงคือคุณตุกว น, นาเนี่ยนะคะแนะนำมาจริงๆมาด้วยกันสามคนแต่รอดมาสองคนนะคะค่ะติดภารกิจนะคะก็ซีรินเองนะคะก็ทำงานตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็ทำเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อห้าปีที่แล้วนะคะก็ทำงานอยู่ที่ยุคที่กาสมาคม แห่งประเทศไทยเปคเกษมนะคะเป็นเลขาผู้มุ่งในการไฟ ส, งส่งเสริมศาสนานะคะก็จะใกล้ชิดครูบาจารย์หลากหลายเลยนะคะก็บางคนอาจจะคุ้นหน้านะคะชื่อในวงการก็ถ้าในวงการธรรมะจะรู้จักชื่อศิรินนะคะก็วิธีการที่ที่รู้จากการเคลื่อนไหวมือเนี่ยมารู้จักเมื่อตอนปี 4.0 ตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมที่บ้านกลิ่นไชยนะคะแล้วก็ก็เป็นของคุณแม่สิรินะคะก็เป็นการออพองยุกเนาะคะ่ะพองยุกแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านท่านชื่ออาจารย์นาฬภัตพ้ตธกุลในขณะที่มีการเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยท่านเอาวิธีของวิธีของหลวงพ่อเทียเนี่ยไปสอนสอนสอนควบกับ การ เ, าเดินจงกรมมานั่งสมาธิแบบพองยุกก็นั่นแหละเป็นการรู้จักครั้งแรกนะคะแล้วก็ทำให้คุณอาชริจจะบอกเสมอว่ากำหนดอิริยาบถย่อยสำคัญที่1ใช่ไหมคะเวลาอยู่ในห้องอจะยกจะเหยียบจะจับอะไรอย่างเงี้ยให้รู้สึกตัวเดินจงกรมสำคัญที่สองนั่งสมาธิสำคัญที่สแล้วตรงเนี้ยที่ ถ้าเป็นแบบการบ้านแบบกำหนดพองยุคแบบดั้งเดิมะคะที่คุณแม่สตรีสอนเนี่ยคุณแม่จะย้าเรื่องของกำหนดเรียบทย่อยซึ่งก็จะได้สติกับสัมปชัญญะตรงนี้มานะคะเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนที่เป็นคนไฮเปอร์แต่ไม่รู้ว่าตัวเองไฮเปอร์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอได้มารู้วิธีการเคลื่อนไหวมือเนี่ยเอาอยู่เอาตัวที่ เป็นคนที่คิดเร็วพูดเร็วทำเร็วพอมาอยู่กับการเคลื่อนไหวมืออเงี้ยคะ่ะหรือว่ายกหยับจับหยิบอะไรเนี่ยรู้สึกตัวมันทำให้กลับมาอยู่กับตัวตัวเรามากไม่ไปพอสมมุตถ้ามีความคิดกลับมาเนี่ยสามารถรู้ความคิดที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเอ่อที่ไม่ดีที่ดีอย่างเงี้ยเห็ น, หนแล้วก็กลับมาอยู่กับกายอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้ ปฏิบัตินานเลยกับวิธีเคลื่อนไหวมือนะคะแล้วก็มาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งมาเจอรู้จักอีกครั้งหนึ่งก็คือพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลตอนสมัยนั้นที่นิมโมนท่านมาสอนที่ยุวพระุทธนะคะก็ท่านก็มานิมโมนท่านมาสอนออคอสเผชิญความตาด้ว ย, วยใจสงบนะคะแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติเนี่ย เได้ฝึกเคลื่อนไหวมือก็ได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่ยังไม่รู้เพราะว่าพระอาจารย์เปสารเองท่านก็ไม่ได้สอนท่านจะสอนในในเรื่องของในเรื่องของการเตรียมตัวตายนะคะแล้วก็มาคิดว่าเอ้ยมันใช่ล่ะมันใช่วิธีที่เรา เ, เข้ากับจริตของเราเข้าจะกับสิทธิ์ของจริตของซีลินนะคะเพราะว่าน่าจะเอาอยู่อ่ะค่ะหลวงพ่อก็ก็ปี ก็ไปเจ อ, เอฝึกกับท่านพระอาจารย์ขันชิตนะคะพระอาจารย์ขันชิตอักินจโนโนะคะก็ก็สิ่งที่ ท, ที่ที่ทำเนี่ยมันมั น, ม, นมันติดมาก็คือว่าเรื่องของความง่วงท่านบอกว่าเวลาที่เคลื่อนไหวเนี่ยให้ใส่ความตั้งใจไปแล้วก็มีสองอย่างให้สองตัวที่ทีทท่ตามตามควบคู่กันไปด้วยคือ ให้ให้เป็นพูดดูและพูดสังเกตก็ปฏิบัติกับท่านมาสองสามครั้งเนี้ยค่ะแต่ตัวง่วงเนี่ยไม่เคยเอาอยู่เลย ม, มเอาไม่อยู่เลยพอมาปฏิบททัติทำกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อให้มีท่าใช่ไหมคะสิบสองท่าเนี่ยมันจะมีกบท่าที่เปลี่ยนนะคะท่าที่เอาอยู่อ่ะคือท่าที่ปรับมาคือท่าที่ยืนเข่าอะคะ่ะ ของโยมนะคะสำหรับโยนะคะ่ะถ้ารู้สึกง่วงปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้เขากลายเป็นนามาลูปะคะ่ะพูดถูกไหมคะค่ะไม่ให้เขาเกิดขึ้นพอรู้พอรู้ว่ามันมันเห็นแล้วเห็นความง่วงปรากฏแล้วก็จะมีสติ ร, รู้แล้วก็เปลี่ยนท่ามาเป็นท่าที่ยืนเขา่าแล้วก็เคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวมือนี่ค่ะก็เอาอยู่่ะตรงนี้ค่ะ ยมเคยผ่านมาทั้งหนอทั้งเคลื่อนไหวนะรูปนามทุกอย่างเคยปฏิบัติมาค่อนข้างเยอะค่ะระหว่างวิธีหนอหรือรูปนามกับการเคลื่อนไหวเนี่ยสังเกตความแตกต่างสังเกตไหมว่ามันแตกต่างกันตรงไห น, นหนอกับอตัวหนอกับตัวอะไรนะคะกับเคลื่อนไหวอยู่กับเคลื่อนไหวใช่ไหมคะ อย่างอย่างตัวหนอเนี่ยเราจะดูที่ทองพองกับทองยุบใช่ไหมคะก็คือถ้าก็มันเขาก็จะมีเป็นอุบายการอีกอย่างหนึ่งเหมือนการดูได้แต่ว่าถ้ามันจะมีขั้นของมันนะคะถ้าพองยุบหายแล้วเราจะเอาสติไปจับกับอะไรใช่ไหมคะมันจะมีอารมณ์ตรงนั้นเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสติที่เราจะต้องเจริญเพื่อที่จะเอาตรงเนี้ยสติสัปญาตอนเนี้ยเอาไปเป็นตัวดับ ดับทุ ก, กอะค่ะดับกิเลสค่ะดับความคิดที่มันเข้ามาจอนมาอย่างเงี้ยค่ะอคราวนี้ถ้ามันต่างกันยังไงเหรอคะโยบยงว่าการเคลื่อนไหวมือเนี่ยมันชัดนะคะ่ะเขะรู้สึกมันแรงกว่ามันแรงกว่าชัดกว่าค่ะก็เลยเลยเห็นว่าสติกําลังของสติมันต่างกันตรงนั้น่ะ <c oughs> ต่างที่กําลังสติค่ะ <c oughs> ซึ่งตัวนี้มาเน้นย้ําเสมอว่าได้เห็นความต่างว่า กำหนดลมหายใจแบบนับกำหนดลมหายใจแบบหนอแล้วมาจับความรู้สึกกับแขนเนี่ยมันเปลี่ยนจากความรู้สึกคือเนื้อหามันคือความรู้สึกตัวนั่นแหละแต่อันไหนมันชัดอันไหนมันแรงกว่ากันเท่านั้นเองแต่ตนนี้มันแรงกว่าตรงที่ว่าเราใช้แขนเป็นอุปรกรณ์เห็นการเคลื่อนไหว ค, คือตรงนี้ก็ ต่อไปถึงว่าอิริบดต่างๆมันมีทั้งหนักทั้งเบาอยู่ตลอดเวลามันก็จับง่ายขึ้นใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไปจับที่ส่วนใดส่วนหนึ่งจับทั้งหมดเลยอันนี้คือหลวพอเทียนถึงกล้าประกันว่าไม่เกิน3ปีคุณต้องรู้จักตัวเองแน่นอนเพอะรู้จักตัวเองหมายถึงว่ามันเข้าสู่การเปิดประตูอะไรอะไรสกิรัติทิถีะ่ะรู้จักตัวเองว่าเถอะรู้จักตัวเองหมายความว่าทำให้เกิด เห็นสักยะทิฏฐิแล้วมันก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้ฝึกเรื่องนี้ให้เข้มแข็งต่อไปเรื่อยๆนะคเพื่อว่าเราจะได้เข้าไปเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ไม่ขาดสายนะขออนุโมทนะก็ขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลิกลับเป็นลูกศิษย์นะคะจนกว่าลูกจะเข้าได้ถึงมรรคผลนะคะสาธุคุณชฉิดา รองว่าันนี้คุณทนิดามาหลายครั้งแล้วเป็นไงบ้างฟังคุณที่ผ่านมาหลายครั้ ง, งบ้างกราบนมรส ก, การหลวงพ่อพระภิกษุรูปแม่ชีสวัสดีกันนายามิทุกท่านนะคะดิฉันชนิดาชาดีโกดค่ะก็ครอร์สนี้คอที่สี่แล้วค่ะหลวงพ่อก็ทุกคอก็เจวันนะเจ้าค่ะตั้งแต่เดือนมีนาแล้วก็กรกดาปีที่แล้วมั้งคะแล้วก็สุดท้ายก็คือตุลาแล้วนี่ก็ห่างมา9เดือนเจ้าค่ะก็คอที่สี่ก็ เก้าเดือนนะจจุดจากตุลาถึงกรกฎานะจ้าค่ะก็ห่างไปพอดีเนื่องจากติดภารกิจสนใจคอสเอ่อ ห, หนึ่งเดือนเจ้าค่ะแต่ก็ติดภารกิจไม่สามารถจะมาได้นะคะก็เอ่อครั้งนี้เอ่อวันที่สองหลวงพ่อก็ให้เก็บอารมณ์เลยนะเจ้าค่ะก็วันแรกนี้เอ่อช่วงบ่ายตอนบ่ายโมงครึ่งนี้ เปือกตาปิดลืมไม่ขึ้นเลยนะคะแต่มันไม่ได้หมายว่ามันอยากจะนอนแต่แบบมันมั น, ม, นมันง่วงตงงัวง่วงมาก็ต้องถอยฉาออกมาจากห้องก่อนก็มาเดินที่ซุ้มใส่ชั่วโมงหนึ่งเจ้าค่ะ2องโมงถึงสามโมงรู้สึกดีขึ้นก็กลับเข้าไปปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ได้ต่ อ, ไ ด, ตอได้ต่อเนื่องนะคเจ้าค่ะวันที่สองนี่ก็มีง่วงบ้างแต่ก็เอาอยู่เจ้าค่ะก็ใช้ไฟจิเบนชไลท์ถ้าหมุนตัวเจ้าค่ะ แล้วกักบท่าโยคะท่าต้นไม้ะคะ่ะเจ้าค่ะมันก็ดีขึ้นสองสาครั้งนะคะเออของโยคะเจ้าค่ะโยคะที่ยืนแล้วก็เอาขาเอ่ยกขึ้นยกขึ้นไว้ข้างบนดืนขาเดียวนะเจ้าค่ะแล้วก็เอามือไว้ข้างบนตัวมันก็งอเงินงอนเงิงนงทำให้เราแบบมีสมาธิอยู่ไอ้งอเ ง, งินนั่นนะคะตัวง่วงก็หายไป ก็ปฏิบัติได้แต่วันที่สมเนี่เจ้าค่ะเวทนาเยอะมากเลยเจ้าค่ะแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับแบตหมดค่ะมันไม่อยากฝึกไม่อยากปฏิบัติแต่ก็ฝืนทําตลอดต่อเนื่องนะคะทําได้แต่แบบมันมันมันเหมือนกับมันมันเกิดเวทนาเยอะมากเลยเจ้าค่ะวันนั้นทั้งวันนะคะแต่ทําได้ตลอดต่อเนื่องแล้วก็มันก็มีความคิดออกมาเยอะแล้วก็มีอารมณ์บ้างแต่แปลกเจ้าค่ะวันที่4ี่นี้รู้สึกว่ามันมันเหมือนกับกินยาบ้าเนาะเจ้าค่ะมันเวทนาหายไปหมดเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ฝึกได้ทั้งวัน ตลอดต่อเนื่องกันที่หลวงพ่อไปสอบอารมณ์เช้ค่ะนั่ น, นะคะต่แล้วก็เวทนาหายไปหมดเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ทําได้เรื่อยๆแล้วก็ความคิดมีความคิดมันก็สั้นลงนะเจ้าค่ะเห็นความคิดขณะนั่งเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวมือก็เห็นรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวแล้วก็ใชเ้เปลี่ยนท่านะเจ้าค่ะสิบสอท่าแต่โยมใช้สิท่านะเจ้าค่ะไม่มีท่านั่งเก้าอี้กับท่านอนนะเจ้าค่ะ mm hmm. ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามัน มันหนักก็เปลี่ยนไปแล้วก็เคลื่อนไหวรู้สึกว่าเคลื่อนไหวมือแล้วก็เห็นความคิดไปมาอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วบางครั้งก็เหมือนกับมันติดสปริงอย่างเช่นคนขับเรือมาเห็นคนขับเรือก็ย้อนไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วมันก็กลับมาว่าไอ้คนขับเรือเนี่ยทําให้เราย้อนกลับไปนูน้นนี้นความคิดย้อนกลับมาได้ที่เดิมเจ้าค่ะในช่วงที่ระหว่างคอร์ส ท, ที่ไม่ได้มาเป็นช่วงช่วงหลายๆเดือนนะี่ได้เอาไปทําที่บ้านไหมทําที่บ้านเจ้าค่ะแต่ก็ ไม่ไม่ต่อเนื่องนะคะวันหนึ่งก็ชั่วโมงเดียวเลยน oh. คะก็จะใช้วิธีเดินจงกรมตอนเช้าออกกำลังกายก็พอดีมีซั u ซุงเฮล t h เจ้าค่ะเดินจงกรมแล้วก็จับซัมซุงเฮล t h ไปด้วยค่ะนคะ oh. แต่เรื่องของเออสิบจังหวะนี่ทำทำไม่ได้เยอะเจ้าค่ะก็มีไปตามเพื่อนไปวัดป่าสุกโตช่วงเดือนสองกรานนะเจ้าค่ะ oh. ครั้งหนึ่งเจ้าค่ะไปเก็บอารมณ์ก็4วันนะแล้วการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ติดตามก็ใช้แต่จะหลุดเจ้าค่าพะพละาไปอยู่ทำงานตัวเองเป็นพยาบาลนะเจ้าค่ะแล้วก็งานเยอะบางทีมันก็ส่วนใหญ่จะเผลอเผลอไปค่ะก็ไม่่ได้สติเท่าไหร่แตม่มาทำที่นี่วันที่สี่กับวันที่5เน่เจ้าค่ะที่ได้อารมณ์แล้วก็สังเกตได้ต่อเนื่องแล้วก็เวทนาหายไป ก็คิดว่าในปีค่ายปีนี้เดือนเดือนมีนาแล้ว <Okay. S 1> ปีหน้าเนาะ <Okay. S 1> ใช่ไหมปีหน้า เ, น <Okay. S 1> เพราะนั้นค่ายปีหน้าสำหรับคนที่เข้ามาเกินห้าครั้งแล้วเนี่ยจะต้องข้อค่ายหนึ่งเดือนละเพราะปีนี้ไปพบค่ายที่คุนห้วยสวยดอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเ น, ะนะ <Okay. S 1> พาไปอยู่ที่นั่นห้าสิบกว่าคน อยู่เดือนหนึ่งปรกากฏว่าอารมณ์กรดิมากเพราะมันเป็นบรรยากาศที่ดีนะป่าดิบกับป่าแรงอยู่ด้วยกันตรงกลางมีคลองน้ําปีนี้เลยส่งพระประจำมันสายที่นั่นแต่ว่าที่สบายที่สุดคือเราไม่ต้องยุ่งกับครัวเพราะพระพิคุณรับเป็นแม่ครัวทั้งหมดตลอดเดือนก็เลยว่าที่นั่นสัปปายาดีก็เลยเอาพระไปะจำมันสายที่นั่นปีนี้ก็เลยว่าจงนั้นไปไข้าทาวน์รปจําปีนะก็คงปีหน้าได้ไปนะคนโมทนาด้วยขอคุณทุกคนสุดท้าย ถัดตรงนี้ทุกคนทุตายซีกังนี้ขอผู้นิชเช้ากันเลยกันน ะ, ะช่วงเย็นเอวชิกนี้ก่อนมันตุกเป็นไงว่าคนใหม่ครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองะนะน้ำมาสการ อ, ออพ่อหลวงพี่แล้วก็เพื่อนๆนกาลยายนามิตรนะคะเออหนูมาครั้งที่สองค่ะครั้งแรกเมื่อปลายปีห้าเจ็ดค่ะที่สวนธรรมศีปทุมที่พี่พี่ตุ้มจัดนะค่ะเออ ครั้งนั้นก็เป็นครั้งแรกของการปฏิบัติธรรมไม่เคยไปที่ไหนมาก่อนเลยของหลวงพ่อเป็นที่แรกที่ ท, ที่ที่ไปแล้วก็รู้จักการเคลื่อนไหวมือเนี่ยเป็นครั้งแรกราะนั้นงงสุดๆคือว่าไม่ไม่เข้าใจภาษาบาลีไม่ไม่ไม่เข้าใจสี น, น, นั้นไปเข้าที่ไหนเนี่ยปุมค่ะนาน้าวเนาะนานแล้วค่ะ ค่ะค่ะก็คือพอเริ่มสนใจที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยก็หลวงพ่อที่แรกเลยแล้ว ก, ก, ก็ก็งงไม่ไม่เข้าใจแต่จะรู้ว่าเออเคลื่อนไหวให้ให้รู้สึกตัวแล้วก็ก็ก็กลับไปทำอยู่พักหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่า <laughs> ก็ยังอยากช้อปปิ้งอยู่ ก็ <laughs> ไปไปทัวทัวๆที่ไหนมีที่ยุวพุทธมีที่ไหนมีก็ก็ไปก็ก็ไปหลายที่อะค่ะทั้งยุบหนอพองหนอทั้งอาณาปานาสติก็ก็คือหลายที่มันสำหรับโยมก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อข้อดีของแต่ละที่ไม่เหมือนกันของอาณาปาที่นั่งนั่งสมาธิอะ ก็รู้สึกว่ามันก็ดีที่เราได้พักผ่อนไม่ค่อยเหนื่อยถ้าเคลื่อนไหวเนี่ยเหนื่อยมากปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทุกสิ่งอย่างจะแบบรู้สึกทรมานแต่ว่าก็จะเป็นแค่ช่วงแรกก็รู้ว่าเป็นแค่ช่วงแรกสองสามวันสี่วันถ้าเป็นคอร์สเจวันเนี่ยวันท้ายๆเนี่ยจะดีจะดีมาก แต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อีกอย่างนึงคือพอช่วงที่เราช้อปปิ้งอยู่เนี่ยแล้วก็จะรู้สึกว่าสายที่เคลื่อนไหวเนี่ยพระอาจารย์ที่เก่งที่ที่คิดว่าถึงถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยมักจะเป็นมะเร็งก็เลยไมรจะมาทางนี้ดีไหม <c oughs> <c oughs> แล้วมันเป็นเพราะอะไรแล้วทำไมสายอาาตายุบหนอพังหน่อม่นเห็นเป็นเลยหรือเป็นก็น้อยมากอะคะก็ยังเคยคุยกับเพื่อนเหมือนกันว่อืมอันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็อยากจะถามพระอาจารย์มันเกี่ยวกับอะไรคะเพราะว่ายงไง เพราะว่าการสั่งสมวิบากกรรมมาก่อนหน้าเนี่ยถ้าคนไหนไม่ได้ีสั่งสมวิบากกรรมมาเยอะๆเนี่ยมันจะมาสายนี้ไม่ได้เพราะว่าวิบากกรรมเนี่ยมันขับเคลื่อนให้เกิดทุกข์ใช่ไหมมันก็ต้องหาทางออกเพราะฉะนั้นที่เป็นมะเร็งเนี่ยไม่ใช่สาเหตุปฏิบัติแต่วิบากกรรมก่อนนั้นน่ยมันเป็นเหตุมาท้งสุดท้ายหมายความว่ามาสายนี้แล้วพ่อได้เป็นมะเร็งเนี่หมายความ่ามันหมดทุกข์อ่ะ ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเหมือนกันนะพ่อกรรมขั้นสุดท้ายมารวมตรงที่มะเร็งหมดเหมืันเพราะนั้นแรกเปลี่ยนกันไม่ต้องเกิดอีกกับเป็นมะเร็งเธอจะเอาไหนมีคอแรกเปลี่ยนที่เขาไม่มามาพร้อมกับคําถามนี้แต่ก็อ๋อมามาอ๋อตอนที่ออหลวงพ่อรักษาสุขภาพแต่ว่าสําหรับพระองค์อื่นๆก็อาจจะบริหารกระดับไม่สมดุล คือใช้ร่างกายมากแล้วก็ทุ่มเทให้กับญาติโยมจนไม่ได้พักผ่อนก็เลยก็เลยเครียดทางทางกายอะค่ะทางใจคงไม่เครียดแล้วก็ังเกี็บอกกับตนี้่ะก็บอกว่าสายนี้เป็นอะไรคอ่ะ แต่หลวงพ่อที่จะไม่เป็นนะฮะหลวงพ่อต้องพักผ่อนบ้างเจ้าค <laughs> <c oughs> ่ะเพราะว่าร่างกายมันสมบุกสมบันไม่ไม่ได้มากมันควรพักผ่อนต้องใช้แบบถนอมค่ะในในสายงานหลวงพ่อเทียนเนี่ยทำงานหนักมากทำงานางทำงานหนักจริงทั้งหลวงตาสุริยาพระอาจารย์คันชิตพระอาจารยาร์ไพศาลรู้สึกเลยว่า ทุกรูปเนี่ยทุ่มเททำงานเผยแผ่าศาสนามากแต่แล้ว<ร>ม<า>ไม่มีเวลาพักผ่อนล้วไม่กลัวมะเิงนะไม่เคยกลัว <laughs> เพราะว่าถ้าเกาะกับความรู้สึกตัวก็ก็จะไม่กลัวเขาอตอนที่หลวงพ่อให้ปฏิบัติเอ่อก้าวเหยียบย่าง ถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยเวทนามันก็จะไม่เข้าหมายถึงเวทนาเวทนาทางกายอย่างที่พี่เขาบอกคือว่ามันบริหารให้มันหายไปได้แต่เวทนาทางใจอ่ะคือช่วงที่เราไม่ไม่รู้แป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วเรามองเห็นอะไรมันสะกิดนิดหนึง่งเราก็จะมีสัญญาหรือสังขารเนี่ยเข้ามาปรุงทันทีแล้วมันจะคิดไปถึงแน่ดีแนนาคตได้แล้วก็ถ้าเผลอยาวก็ไป ไปยาวเหมือนกันแต่พอทาตามที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็จะเผอสั้นลงวันแรกๆยาววันแรกๆเพราะทั้งปวดเมื่อยทั้งหลายอย่างห่วงงานห่วงการมีความกังวลอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมามมแต่พอเราเกาะกับตัวรู้ให้แน่นๆมันก็จะเผอน้อยลงสั้นลงเรื่อยๆอ๋อนี่มีคอยสังเกตบ่ะเนื่องจากได พอพอผัดจับปุ๊บเราไม่ได้สกัดผัดผัาทางตาทางหูทางอะไรเงี้ยมันก็จะสะ ก, กิดให้ให้เราคิดถ้าเราไม่ตัดทิ้งมาเกาะกับตัวรู้ทันทีก็ก็กลงคิดไปเลยค <c oughs> ่ะเอฟากให้ไปวิเคราะห์ต่อว่า <c oughs> มันน่าจะเป็นตาบาบสลหรบสายงานนั่นเดียวเ น, นเพราะนั้นเป็นอันนี้อันนี้พูดแล้วเยียบไว้ที่นี่เลยค่ะะลวงตาสมบูรณ์มาเพราะว่าแอบคิด อันนั้นท่านหายใช่ไหมคะอันนี้หนูก็ติดตามอยู่ว่าท่านจะเป็นยังไงพ่อคอมเขียนก็หายเหมือนกันนะแต่ว่าพอพอหายแล้วไปทำงานหนักถ้าตัดตามต่อก็เป็นกลับมาเป็นใหม่เป็นใหม่ก็ยาวเลยทีนี้ใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าน่าจะ นายสายงานเราน่าจะสนุกที่ได้เป็นมะเร็งนะใช่คะ่ะเพราะว่ามันได้เลยเพราะทุกคนหน้าผ่องใสมีความสุขคืงไม่ไม่น่าใ<ช>ไใช่หน้าตาของคนเป็นมะเร็งใช่เพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นกับเขาเหมือนกันน่ะก็จะได้รู้ว่าเป็นยังไงอืมเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาก็ตั้งคอยสังเกตตลอดนะเพราะฉะนั้นว่าเออถ้าหากว่าเป็นเวทนาเพื่อทดสอบขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็สมควรจะเป็นเพื่อจะได้รู้ว่าเอาอยู่ไหม ว่าสิ่งที่ได้ฝึกเป็นการทดสอบแต่อย่งไรก็ตามมันต้องมีเหตุปัจจัยมาก่อนหน้านั้นแต่และท่านเอกเหตุผลหนึ่งหน้าฟังก็คือว่าแต่และคนทุ่มเททํางานหนักมากไม่มีเวลาพักผ่อนก็น่าจะต้องเป็นเหตุที่สั่งสมความเครียดระยะ ย, ยาวลึกๆ ก, ก, กันนะะฉะนั้นในวิธีการหนึ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ว่าในเมื่อเราทําวิธีคลายเครียดแล้วก็สังเกตตลอดเพราะรู้ว่าในตัวมะเร็งเนี่ยต้องมีความเครียดที่ฝังลึก ความเคล็ดลับหังเรื่องอาการจะออกมาเป็นต่างๆเร า, ามีวิธีคลายอย่างไรทั้นนั้นเองเวอร์ชั่นของหลวงพ่อคือเอาการออกกาลังกายเข้ามาช่วยการทําอะไรลมปลานะราณการทำลมปราณมาช่วยแล้วการบริหารดึงอาหารโครงสร้างทางอาหารก็ลองทําดูเผื่อว่ามันจะลบล้างอันนี้ได้ <laughs> <laughs> ลบล้าง <laughs> ลบล้างอุประธานดูดีได้นะ โอ้นั่นในเกลือข่ายนี่จะเข้มแข็งทุกคนแต่ถอดเข้ามาหลวงพอ่อเลยนะไม่เราเอามาก็แอบอคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะมีบางอาจถามเพราะ น, นั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรบางแต่ ว, ว่าถ้าเราเป็นเราก็จะเป็นกันทุกคนอย่างเงี้นน ะ, ะซึ่งความตายในจริงๆแล้วความตายมันไม่มีมันมีแต่การดับและการเกิดดับนะแต่ความตายเนี่เป็นเรื่องสมมุติทางนั้น ดังนั้นเองในช่วงการเกิดดับเนี่ยเราจะบริหารการเกิดดับให้สมดุลได้อย่างไรการที่บริหารการเกิดดับไม่สมดุลมันจะเหลือเศษกรรมและเศษกรรมนั่นแหละมันจะกลายเป็นวิบากที่เราเคยเป็นมารมาส่งรวมกันสนองดะงนั้นเองในจุดนี้มาว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาหน่ า, นาศึกษามากทีเดียวมาคงจะไม่เป็นมะเร็งให้ตายง่ายหรอกเพราะว่าตั้งไว้200รปีนะ ตรนั้นไม่มีใครเห็นเลยนะนั้นนั่นคือสองร้อยปีคือรูปเปิด100นามร้อยนร้อยก็จะต้องศึกษากันต่อไปเรื่องนี้ทําเพื่อการศึกษานะคือพุทธเจ้าบอกว่าให้เปลี่ยนให้เป็นใจสิกขาเมื่อเปลี่ยนไปใจสิกขานล้วมันจะไปสูมรรคผลทิ่ผานของมันเองจะไปมันก็ไปของมันแต่ตลอดดังนั้นเองก็มาบริหารจุดของการเกิดและการดับ ให้มันชัดเจนทุกๆมิติของของชีวิตเลยมีแค่2อย่างจริงๆเนีเกิดกระดับมันจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นนรกสวรรค์ไปจากจุดนี้ทั้งหมดเป็นเราเป็นเขาเป็นฝักเป็นฝ่ายมันก็ไปแค่2จุดแค่นี้เพราะนั่นจะตีจุดนี้ให้แตกเมื่อจิตตีจุดนี้แตกปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่สงสัยเมื่อไม่สงสัยแล้วมันจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของมันละเพราะอะไรเพราะในชีวิตในส่วนร่างกายมันเป็นอนัตตาใช่ไหมเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ในส่วนที่บังคับบัญชาได้คือในส่วนที่จิตที่มันไม่เป็นไปตามแตล่ลกแต่ถ้าจิตของเราเป็นไปตามแตล่ละมันก็จะต้องเป็นกฎของอนัตตาที่ควบคุมไม่ได้เหมือนกันดังนั้นในจุดนี้เราจะต้องฝึกไปเรื่อยๆในจุดตอกย้ำนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไม่รู้ให้เป็นตัวรู้ไปเรื่อยๆทุกทุกๆเวลาจนกระทั่งมันสมบูรณ์แล้วนี่ถ้ า, าว่ามันตัวรู้มันสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็ไม่ไม่กลัวละ มันจะเป็นเมะเร็งกีดตลุบเราก็ไม่กลัวแล้วทีนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นขอให้คนทุกคนตั้งใจนะเพราะฉะนั้นหลวเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยขอประเมินแค่นี้เพราพรุ่งนี้เช้าจะได้ประเมินฝากครั้งนี้นะก็คนมุทะนาสาธุเวลาที่เหลือนี่อยากให้ไปทำต่อยสักหนึ่งถึงสามทุ่มละเพื่อจะได้อะไรที่มันขาดตกบกพร่องไประยะสามสี่วันเนี่ยให้มาเติมนะให้มันเติมให้มันเต็มเวลาเล็กๆนิดน้อยนี่อย่าประมาท พอเวลาอากาศเข้าถึงตัวสภาวะมแค่พลิกนิดเดียวเท่นั้นเองนะดังนั้นขอให้คืนนี้ที่เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยลองไปสังเกตดูชัดๆอะไรที่เรายัางสงสัยสังเกตดูชัดๆมันอาจจะคลิกป๊บขึ้นมาก็ขอให้แต่ละคนได้สัมผัสจุดนั้นด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิน อ, อ่ะกลับเร้าพร้อมกันนะ <c oughs> ระหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเดมิสวคคาโตพวภะคะวะตาธรมโมธัมมังนัสสามมิ สุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆสรังขังนมามิพรุ่งนี้เรายัางทำหน้าที่ตามปกติไม้คือสายทำวัดแล้วก็ประเมินผลต่อนะก็จะปิดโปรแกรมหลังจากทานอาหารชาเช้าเสร็จเขาโยม ผู้เท่าสองท่านมารออยู่ตั้งนานแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยขอเอาัยด้วย <c oughs> เดี๋ยวเขาเชิญหนึ่งนี่อ่ะเอาเก็บหนังสีนะเดี๋ยวจะได้คุยกับโยบิสมัยนะ่ะไม่ได้เจอกิน30ปีแล้ว